ก็ได้ได้บทความที่บอกว่าเพรา ะ, ะไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการลงสู่คันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการคลอดจากคันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการปราศรมไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการแสดงพระธรรมาจับเนี่ยนะแล้วเหตุการณ์ต่อไปบอกว่า โอ้ความที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีพระคุณมากน่าอัศจรรย์ในโลกหมื่นโลกกาธาตุก็หวั่นไหวโดยอาการหกแสงสว่างใหญ่ก็เกิดขึ้นน่าอัศจรรย์น่าขนลุกขนชันเนี่ยอธิบายว่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยฟังเรื่องราวมีแผ่นดินไหวเป็นต้นในเพราะ อ, อาการเสด็จเพราะการเสด็จลงสู่พระคันของพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเอาโอ้โอเฉรยังโลกเกวะวัเงน บทว่าพุทธานังคู่ณมหันตตาโอพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระคุณมากเนี่ยนะพุทธานังคู่ณมหาันตตาเนี่ยนะแปลว่าพระองค์นี่มีพระคุณมากจริงๆพุทธานังก็คือไอ้พระองค์นี่มีพุทธานุภาพมากเหลือเกินอนุภาพของพระองค์นี่ยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่ขนาดไหนทะัศ ส, ะสหสีโลกาตุฉับปะการังประกำรรปะถะความว่า พระมหาปฏาปีในหมื่นจักรวาลวันไหวด้วยอาการหอย่างหอย่างนี่ยังไงยืดข้างหน้าขึ้นข้างหลังก็โน้มลงไปข้างหลังข้อหนึ่งะสองยืดข้างหน้ายืดข้างหลังขึ้นมาแล้วก็โน้มข้างหน้าลงไปหรือว่ายืดข้างซ้ายโน้มข้างขวาลงยืดข้างขวาโน้มข้างซ้ายลงยืดขึ้นตรงกลางแล้วก็โน้มลงข้างท้ายยืดข้างท้ายแล้วก็โน้มลงตรงกลางหรือว่าแผ่นดินไหวโดยอาการ6กนะนี แผ่นดินนี้หนา2 4 0 0 0 0สี่หมื่นโยมีน้ำรองแผ่นดินอยู่รอบๆเหมือนเรือที่ถูกขนาดด้วยการหักของคลื่นแห่งน้าที่หวั่นไหวเพราะแรงลมแผ่นดินไม่มีใจก็เหมือนมีใจมีอาการหวั่นไหวโดยอาการหกดังกล่าวมานี้เหมือนฟ้อนรำด้วยปีติอันนี้จริงๆแผ่นดินไหวด้วยอนุภาพของเทวุมะเทวดาผุมะเทวดาเนี่ยเป็นปัจจัยนั่นเองะนะ ท่านคำว่าปีติหมายถึงเทวดาที่อาศัยภาค พ, พื้นเนี่ยนะเกิดปีติสมนัตว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างประโยชน์และความสุขให้เกิดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเขาบอกนรกเนี่เหมือนจะว่างสวรรค์เนี่เหมือนเต็มเออัดยัดเยียบเพราะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเมื่อใดที่พระพุทธเจ้าไม่มีอยู่ในโลกหรือคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่นับถือพระพุทธเจ้า สมัยนั้นก็บอกว่าสวรรค์เหมือนจะว่างนรกเหมือนกับเออัดยัดเยียดเนี่ยนะมันก็เป็นน่นะก็เป็นอย่างนั้นแหละโอภาโซจะมหาอาสิได้มีแสงสว่างล้ำเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายก็คือเกิดะนะเกิดแสงสว่างขึ้นมาในโลก อเชรังโลมหังสนังก็คือได้แก่มีความน่าอัศจรรย์ขนลุกขนชันเงินขึ้นในขณะนั้นปีติมากนะขนลุกขนชันไม่ใช่ขนพองสยองกล้าแบบกลัวสุดๆเนีไม่ใช่อย่างนั้นแบบดีใจอย่างไม่ไม่มีอะไรจะดีหน้าดีใจกับวันนี้อีกแล้วเนี่ยนะดีใจจริงๆอ่ะถามว่าใครสมมติคนที่อยู่ในคุกถามว่าบอกคําสั่งบอกว่าพ้นทุกเนี่ยดีใจไหมคนป่วยแทบตายแล้วบอกคุณจะหายป่วยทันทีเลยภายในสินาทีข้างหน้าเนี่ยฟังแล้วแทบจะหายป่วยเลยนะ ชั้นใดก็ดีใครที่ฟังบอกว่าจะพ้นจากอบายทุกติวินิบาตารกพ้นจากสังสารวัตรพ้นจากบาปอกุโสธรรมทุกชนิดบรรลุมรคลบอกว่าเหตุการณ์ที่เป็นนิมิตเครื่องหมายว่าตัวเองจะได้บรรลุมรคนนี่จะปีติขนาดไหนเนี่ยนะสําหรับคนที่มีอัธยาศัยวิวัตตานะสําหรับคนที่มีอัธยาศัยเฝ้า ว, วัตตาก็บอกก็ไม่เห็นอะไรเลยก็มั้งั้นไม่เห็นมีอะไรก็มั้งั้น อาก็ไม่มีอะสิก็เพราะว่าตัวเองไม่อะไรนะเป็นไม่ได้สั่งสมอัธยาสายอะไรมาพอไม่ได้สั่งสมอัธยาสายอะไรมาไปเกิดแถวๆต้นโพก็ไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยคอยขายผ้าบอกว่าท่านหน้าหนาวหน้าช่วงประมาณสักพฤทจิการรษทันวามกรากุมภาเนี่ยนะเขามีประชาชนแห่ไปขอทานข้างๆต้นโพแห่ไปขอทานโอ้ยขอทานระงมไพยไปหมดเลย ฝนนี่คร่าครงนอนตรงนั้นไงใครนั่นเล่าบอกว่า พอได้ยินเสียงคลักลืมตามาดูเติมตาคือเห็นคนปั๊บแบมือขอทานได้เลยเนียนะขนาดนั้นมันถึงจะอยู่ใกล้ต้นโพก็ไม่ได้มีโอกาสกราบไหว้ต้นโพอะไรหรอกไม่ได้ร ะ, ะลึกถึงว่าเออตรงนี้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธรัตนานะพระองค์เป็นสมบัติของผู้มีบุญเป็นผู้อาคือว่าพระองค์เนี่ยเป็นพุทธรัตนะเป็นที่ใช้สอยของผู้ที่มีบุญคนมีบุญเท่านั้นจึงจะใช้สอยพระพุทธเจ้าได้ คำว่าใช้สอยในที่นี้หมายคำว่าเช่นจเจริญปีติพุทธาปีติมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เป็นต้นนั้นแหลเนี่ยนะและลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าและเกิดปีติโสม נ ัตอันผู้ใดที่จะมีปีติโสม נ ัตก็เพราะว่าผู้นั้นเขามีบุญสั่งสมบุญมาดีตั้งตั้ ง, งอัตตสัมมาปณิธิมาดีเขาจึงมีบุญได้สเสวยปีติที่เกิดจากพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เรียกว่าเหมือนกับได้ใช้สอยพระพุทธคุณแต่ว่าสําหรับคนอื่นๆก็ก็ยางว่านะ คนที่ไม่มีบุญก็คือไม่มีบุญนั่นแหละท่า น, นอะไรนะเศรษฐกิจจะเจริญเศรษฐกิจจะเสื่อมฉันก็ขอทานอยู่วันยังค่ำอย่ยนั่นแหละเานใ น, นต่อไปในบาลีที่บอกว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเจริญที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลกะนะทั้งพระว่าเิวดาทั้งหมื่นจั ก, กรวาลเป็นต้นเนี่ยนะก็มาประชุมกันนะ พระชินเจ้าเมื่อทรงแสดงโลกพร้อมทั้งเทวโลกเสด็จจงกรมด้วยพระวรรธน์พระผู้นําโลกเสด็จจงกรมพลางตรัสธรรมกถาไปพลางจะไม่เสด็จกลับในระหว่างเหมือนที่จงกรมสี่ซอกะนะก็เดินตลอดเหมือนจักรวาลอธิบายว่าจังกรรมโตวะเสด็จจงกรมคําว่าจงกรมก็คือไม่ใช่จงกรมนะจงกรมก็คือเดินวงกลมใช่แต่นี่จงกรมแปลว่าเดินไปให้มันสุดที่เดินแล้วก็เดินกลับมาเดิน เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาก็เหมือนกับเรเดินใช้ความคิดนะ น, นะเหมือนกับคนเดินใช้ความคิดใช้สติปัญญานั่นเองรัตนจงกรมโรงจงกรมของพระองค์เนี่ยตั้งครอบหมื่นโลกธาตุมาเพราะอย่างว่าเขาสิเนรุนี่มาเรียงเป็นเสาจงกรมเลยแหละเนี่ยนะเขาสิเนรุเป็นเสาจงกรมก็คิดง่ายๆก็เหมือนกับทางด่วนทางด่วนพิเศษยกระดับขึ้นมาแล้วมันมีเสาเรียงกันทอดยาวเป็นหมื่นเสานั่นแหละนะก็เป็นแต่ว่าสาเร็จด้วยทองนะี่ บทว่าโลกานายโกครั้งนั้นพระศาสดาตรัสธรรมกถาคือประกาศอริยสัจจะทำด้วยถ้อยคําที่ไพเราะไพเราะยังไงไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทีนี้การประกาศทุกขาริยสัจก็ชักไตรลักษณ์ชักอนิจจงนะรนะ ทุกขสัตว์เนี่ยนะก็คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาทุกขสัตย์อนิจจังเพราะสิ้นไปทุกขังเพราะว่าน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะประกาศสัจจะสี่มีนิยะวิจิตต่างๆเนี่ยนะวิจิตต่างๆสแสดงแบบย่อสแสดงแบบพิสดารแสดงทั้งย่อและพิสดารแสดงตามจริตอัธยาศัยตามอนุสัยของ สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าเพราะอาศยานุสยญาณอินทรยิยปรปริยัติญาณแล้วก็สัพพัญยุตยานเป็นต้นเป็นปัจจัยในการแสดงธรรมของพระองค์บรรพุที่ตรัสรู้ธรรมจึงมีมากขณะที่พระองค์แสดงเนี่ยนะเสียงของพระองค์เนี่ยดังเหมือนเสียงพรหมเหมนเสียงประกอบที่ด้วยองค์8ปดนั่นนะนะจึงน่ารักอ่ะน้าฟังมากน่ารักประกอบด้วยองค์8เหมือนราชสีแผดสีหานาถวบาลือสีหานาถ เหนือพื้นแท่นหินอ่อนสีแดงประหนึ่งเมฆในฤดูฝนคำรามอยู่แล้วก็ประหนึ่งข้ามอากาศคงคานั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับไม่มีใครง่วงเลยนะตอนนั้นนะไม่มีใครง่วงสลืมสลือเหมือนอาหารกำลังย่อยอะไรสักอย่างนะแสดงว่ามีปีติสมณัสฟังแล้วเกิดความรู้เกิดความเข้าใจปีติเอิบอิม่มนะฟังแล้วก็บรุมรรคผลนิพพาน คือเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเอารัตนะมาแจกนะใครก็ได้รัตนะบางเหมือนกับว่าแจกเพชรนะก็เหมือนว่าคนได้เพชรก้อนเท่า น, านี้บางคนก็ก้อนใหญ่แต่และคนก็โปรยเรียกว่าโปรยฝนอมตะโปรยฝนรัตนะตกลงมาประชุมชนก็เก็บลงตามสมควรเนี่ยนะเขาเหล่านั้นก็มีการตรัสรู้อริยสัจบรรลุมรรคผลตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าทุกคนก็ประสบความสุขความเจริญ แต่บุคคลเหล่านี้เราไม่ต้องแปลกใจรอกว่าทำไมเขาจึงได้บรรลุมรคผลไ ม, ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาเหล่านั้นบรรลุมรคผลเพราะเขาเหล่านั้นได้ตั้งความปรารถนาที่จะตรัสรู้มาเนี่ยเป็นเป็ น, ปนบางท่านเนี่ยตั้งความปรารถนามาเป็นอสงไขยบางท่านปรารถนามาเป็นแสนกับตั้งความปรารถนามาเนิ่นนานจึงได้ตรัสรู้เป็น พระอริยเจ้าในสมัยพระพุทธกาลนั้นผู้ที่เขาสั่งสมบูรณ์บารมีมามากเขาจึงได้เกิดการตรัสรู้เนี่ยนะเขาเขาเข้าใจแต่อย่างในยุคลังหลังมาถึงให้ตรัสรู้ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเขาจะตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรตรัสรู้ให้เป็นอะไรตรัสรู้ดีอย่างไรถ้าไม่ตรัสรู้เสียหายอย่างไรแยกแยะอะไรแทบไม่ออกเลยเรียกว่าตาใสาบอดสีเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าแยกอะไรไม่ค่อยออกเท่าไหร่ อันอริยสัจแต่และอย่างแตกต่างอย่างไรอะไรยังไงในยุคใหม่ๆเนี่ยก็เอกพระพุทธเจ้าแต่สรู้อะไรบอกแต่สรู้อริยสัจแล้วแต่ตสรู้อย่างไรอริยสัจก็แล้วกันนะอย่าถามมากไม่รู้ก็อย่าไปถามสิอะไรงี้ยนะก็เดี๋ยวจะโกรธแล้วนะพระพุทธเจ้ามีคุณมากใช่ไหมมีมากไนะหนเล่าให้ฟังสักสามชั่วโมงด้วยเนี่ยไหนๆก็มากแล้วนะพอดีมีเวลาว่างสามชั่วโมงเล่าให้ฟังหน่อยนะสองนาทีหมดแล้วว่าแต่มีมากเหลือเกินเหมือนอากาศอย่างนั้นนะนะแตนะ่ว่า มันจะชี้ให้ดูอากาศนะคือในยุคหลังเนี่ยมันแปลกว่าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยเข้าใจน้อยมากเมื่อเข้าใจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณน้อยเนี่ยนะอริยสัจจะทำก็เลยค่อนข้างไม่ค่อยได้มีผลอะไรเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างสมัยใหม่แทบไม่ได้ปรารถนาจะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าศักด์เท่าไหร่แล้ว ถึงเขาปรารถนาบนรรลุมรรคผลโดยมากก็ไม่รู้ปรารถนามรรคผลของใครก็ไม่ทราบเนี่ยนะหนักๆเข้าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าแต่รู้อะไรแต่ละคนเนี่ยสอนเป็นยังไงอะไรยังไงอันนี้เล่าให้ฟังนะเขาบน่บนๆตามภาษาเกือบแก่แล้วเนี่ยนะตอนหลังก็เรียกลงพอล่อละต่อไปว่าอันตรานิวเตติ จ, จตุหัเทจังกเมยถา คือพระพุทธเจ้านี้เสด็จจงกรมเนี่ยยาวหมื่นจั ก, กรวาล น, นะไม่ใช่เหมือนกับเดินจงกรมที่4ี่ศอกสศอกสละเกสองละเอย่างแกงก็เดิน5 9, ้าเ้อันเดิน5้าเกเดินกลับไปกลับมาเดิน3าชั่วโมงนี่มเมาแน่เมาซีสารนะแต่พระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอธิบายว่าที่จงกรมที่พระาศาสดาทรงในระมิตรนั้นตลายข้างหนึ่งอยู่ที่ขอบปากจั ก, กรวาลด้านทิศตะวันออกอีกข้างหนึ่งตั้งอยู่ที่ขอบปากจั ก, กรวาลด้านทิศตะวันตก พระศาสดาเสด็จจงกรมนารัตน์จงกรมนั้นที่ตั้งอยู่ดังกล่าวนี้เสด็จถึงปลายทั้งสองข้างแล้วก็เสด็จกลับก็คือไปจนถึงสุดเดินสุดแล้วก็กลับระหว่างพระองค์จะยังไม่กลับถ้ายังไม่ถึงที่สุดของที่จงกรมกเดินไปจนสุดแล้วเดินกลับไปแต่ว่าคนก็จะเห็นโดยตลอดเนี่ยนะด้วยพุทธานุภาพพระองค์จะไม่เสด็จเหมือนในที่จงกรมสี่ศอกแบบนั้น ถามว่าทําไมพระองค์ไม่ย่อนย่อโรงจองกรมเนี่ยนะไอหมื่นจั ก, กราวาลนี่ให้มันสั้นละ่ะให้มันสั้นเหลือแค่หมื่นโยอดก็พอมั้งอย่างเงี้ยเป็นต้นป้าเขาบอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากพุทธานุภาพเนี่ยนะเป็นอจินไตยคือไม่มีใครที่จะไปคิดรอบรู้พระพุทธคุณโดยแงม่มุมต่างๆโดยประการต่างๆโดยครบถ้วนสมบูรณ์หรอกเพราะมิใช่วิสัยเนี่ยนะก็รู้ว่าเออการฟังพระพุทธคุณคาถาก็ฟังเพื่อเพื่ออะไรเพื่อศรัทธาเนี่ยนะเพื่อศรัทธาที่ยังไม่เกิด ก็จะได้เกิดขึ้นศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะยิ่งยิ่งขึ้นไปถึงพระพุทธเจ้าจะเดินจงกรมเก่งขนาดไหนเหาะเหินเดินอากาศขนาดไหนเราทั้งหลายก็ยังก็ยังชีวิตแบบเราเรานี่แหละนี่ยนะแต่ว่าที่สําคัญแล้วเราได้อะไรบ้างจากการทําทุกอย่างของพระพุทธเจ้าการแสดงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าช่วยอะไรเราบ้างถ้า ต, ตั้งคำถามเหล่านี้ขึ้นมาการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าช่วยอะไรเราบ้างการตรัสรู้ธรรมของบุคคลสมัยนั้นยุคนั้นมากมายมหาศาล ช่วยอะไรเราบ้างแล้วเราได้ผลประโยชน์อะไรจากจากท่านเหล่านั้นบ้างเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบอกโอ้ยเอาแต่ผลประโยชน์เลยหรือบอกใช่พระพุทธเจ้าคือาศาสดาผู้สอนประโยชน์สอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งแล้วเราได้ประโยชน์อะไรมั่งประโยชน์โลกนี้หรือหรือประโยชน์โลกหน้าหรือประโยชน์อย่างยิ่งแล้วประโยชน์แต่ละอย่างเป็นอย่างไรเช่นไรเนี่ยนะก็เอามาไข่ครววให้ดีๆก็แล้วกันสัดทินรียที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นสัดทินรียที่เกิดขึ้นแล้วก็จะบริบูรณ์ ปัญญีสีที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดปัญญิีสีที่เกิดแล้วจะบริบูรณ์ผู้ที่มีศรัทธาและปัญญาแก่กล้าเรียกว่าผู้ที่ถึงสารณคมเนี่ยนะผู้ที่มีสารณะเพราะว่าสารณะเป็นชื่อของศรัทธาและปัญญาที่รอบรู้ในพระพุทธคุณ น, นะรอบรู้เข้าใจว่าพระองค์เนี่ยแหละเป็นผู้ที่กำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปผู้ที่หันเหชักนาเราเข้าไปหา ประโยชน์นั้นถ้าเรารู้จักพระพุทธคุณเท่าใดเราก็จะออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เท่านั้นหันเหชีวิตเข้าหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ดังที่พระองค์ตรัสว่านั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายนะอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเราทั้งหลายพระองค์ก็แสดงธรรมะอย่างนั้นที่นี้ในช่วงนั้นเนี่ยเรียกว่าพระพุทธเจ้าแสดงโลกาปสาธนะหรือ โลกวิวรณะคือพระพุทธเจ้าเปิดโลกยังโลกให้เลื่อมใสเราะฉะนั้นคนก็จะมองเห็นกันไปหมดเป็นลานอันเดียวกันหมื่นโลกธาตุมองเห็นเป็นลานเดียวกันนับตั้งแต่อากณาิฏฐภพคือสุดทาวาชชั้นสุดท้ายสูงสุดล่างลงมาจนถึงอเวจีมหานรกโดยเบื้องขวางหมื่นจักรวาลก็มองเป็นลานอันเดียวกันเทวดาทั้งหลายก็เห็นมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายก็เห็นเทวดามนุษย์และเทวดาทั้งหมด ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเหมือนพระองค์เนี่ยเสด็จจงกรมโดยปกติโดยประการใดสมมติถ้าพระองค์เดินที่จงกรมธรรมดาโดยปกติยาวประมาณ60ศอกฉันใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมองเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จจงกรมหมื่นจักรวาลก็ฉะนั้นก็เรามองเหมือนปกติทั้งนั้นแหละด้วยพุทธานุภาพก็พระผู้มีพระภาคเจ้ากําลังเสด็จจงกรมก็แสดงธรรมและทรงเข้าสมาบัติในระหว่างในระหว่างนะเสด็จจงกรมไปแสดงธรรมไป ถ้าในยมกะปาติหารในที่แสดงในควงคันดามะพฤกษ์ที่เมืองสาวัตถีเนี่ยได้กล่าวว่าในระหว่างที่พระองค์เสด็จจงกรมเนี่ยนะเสด็จจงกรมแสดงยมกะปาติหาร น, นะหมู่มีหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมาประชุมกันเป็นหมื่นจักรวาลเนี่ยในบรรดาศักดิ์ทุกชนิดเหล่านั้นทั้งหมดพระองค์แบ่งเลยแบบในนั้นทั้งหมดจะมีผู้บรรลุเท่าไหร่แบ่งออกเป็นสองส่วนเลยจะมีผู้บรรลุเท่าไหร่ไอ้พวกไม่บรรลุเอาไว้ก่อนยกไว้ไม่ต้องคิดถึงมัน นะไม่ต้องสนใจเพราะว่าไม่แค่ไม่เก็บมาคิดเท่านั้นแหละเสร็จแล้วก็เอาพวกกลุ่มที่บรรลุและกลุ่มบรลุ ม, มีกี่กลุ่มนะฮะก็แล้วก็แบ่งตามจริตอันนี้ราคะเจริญนี้โทสะเจริตนี้โมหะจริญนี้วิตกะจริญนี้ศรัทธาจริตนี้พุทธิเจริญแล้วในแต่ละจริญจะต้องบรรลุด้วยธรรมเทศนาเช่นใดเนี่ย น, นะแล้วธรรมเทศนาเช่นนั้นเนี่ยจะต้องอ่าต้องแสดงไปเองหรือให้เข้ามาถามหรือพระพุทธในระมิตรด้วยกันมีการถามปัญหา ก็แสดงธรรมไปตามตามเหมาะตามจริตตามอัธยาศัยแล้วก็เข้าสมาบัติแสดงปาฏิหาริย์โดยประการต่า ง, ง, งๆก็มีผู้ที่ตรัสรู้บรร ล, ลุมรรคผลหาประมาณไม่ได้เนะี่ยนะอันใครที่เกิดขึ้นในยุคพุทธสมัยหรือสมัยของพระพุทธเจ้าหรือพุธทธุบาติการเนี่ยนะสมัยพุทธกาลทั้งหลายก็จะได้รับประโยชน์ไม่ใช่น้อยแต่ก็อย่างว่าของเราทั้งหลายก็รุ่นอ่านจดหมายเนี่ยนะจดหมายจากพระพุทธเจ้าก็อ่านให้มันจบเถอะนั่นะนะันะ เพ่จะได้รับประโยชน์นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะขยันอ่านจดหมายของพระองค์บ้างกันแล้วกันเนี่ยนะจะได้รับประโยชน์รับมรดก น, นะพระองค์ก็ทําพิ่นายกรรมไว้ให้เราตั้งเยอะนะโอ้เขียนไว้ตั้งแปดหมสี่พันฉบับเนี่ยนะแต่ละอย่างก็เป็นอริยทรัพย์เป็นขุมทรัพย์นะพี่นายกรรมเหล่านี้ คือพระตรปิดกเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยนะซับในพระาศาสนาที่คนสมัยพุทธ ก, กาลเข้าได้กันอะ่ะได้อะไรเขาได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสมัยนั้นเขาได้สติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงองค์มัคเขาเหล่านั้นได้กําหนดรู้ทุกลักษณ์สมุทัยธรรมนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคบรรลุโสดาปติมักสกัตถคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรค ซึ่งคําสอนเหล่านั้นก็มีอยู่ครบถ้วนกระบวนความในจดหมายหลายฉบับด้วยกันนะก็อ่านให้มันครบทุกฉบับไัแล้วกันก็เลือกว่าฉบับไหนเหล่าใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขก็มีโอกาสก็อย่างว่านะสายตาที่มีอยู่บอกโอ้โหนาเสียดายนะใช้สายตาเหมือนกัน ก่อนไปนั่งคิดดูโอ้โหเนี่ยนะเราทําใช้ตายยังไงให้มันเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาศรัทธาที่ยังไม่เกิดศรัทธาก็จะได้เกิดศรัทธาที่เกิดแล้วมันจะได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยตาคู่นี้เปลืองในะอุตสาห์ทำบุญกว่าจะได้ตามาคู่หนึ่งเนี่ยนะใช้ตาหน้าเสียดายเนี่ยนะแล้วหลายคนเอ่ฟังไปเรื่องหูว่าเออตอนนี้คนนั้นก็หูเสียแล้วคนนี้ก็หูตึงนะมันน่าจะหย่อนยานบ้างในชะมันไม่ใช่มันตึงขึ้นตึงขึ้นแต่ฟังไม่รู้เรื่องฮาหาอยู่นั่นแหละ ก็เลเอ็มช right? ักแปลกใจแล้วเอ็มเกิดอะไรขึ้นนะหูเราเอามาฟังอะไรนาะฟังแล้วมันศรัทธาเจริญไหมฟังแล้ววิริยะเจริญไหมสติเจริญไหมปัญญาเจริญไหมก็เลยมาคิดดูว่าไม่งั้นก็ใช้ตาหมดไปวันวันหนึ่งใช้หูเปลืองไปวันวันหนึ่งตาก็ฝ้าหูก็ฟังก็ตาฝ้าหูฟังก็แปลว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วและใจเราล่ะจะเป็นยังไงน้อก็เลยมาคิดดูถ้าเราแก่นะตาก็มีปัญหาหูก็มีปัญหาและใจเราจะอยู่ยังไงนาะกนเนี่ยนะ เรามาคิดๆแล้วเขเห็นคนแก่เขาเป็นให้ดูทั้งหลายคนแล้วนะเราก็จะไปเป็นเหมือนเขาหรืออะไมาคิดดูว่าเออเนี่ยเมื่อมีตาเอามาใช้ประโยชน์ยังไงมีหูเอามาใช้ประโยชน์ยังไงพ่อทวารตาทวารหูไหลสืบเนื่องมาหาทวารใจเนี่ยนะเราจะใช้ตาหูซึมซับเอาอะไรเข้าไปไว้ในในจิตในใจเป็นอุปนิสยัยเป็นเจริตเป็นอัธยาศัยเป็นอุปนิสัยต่อไปเพราะถ้าเราไม่สามารถจะสร้าง เจริญอัธยาศัยอุปนิสยัยให้ดีๆให้แก่ตัวเองมากๆเนี่ยนะอนาคตก็เดือดรอนมันควรสั่งสมอัธยาศัยพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นสั่งสมอัธยาศัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้ดีจิตใจของเราก็จะได้มีเกาะมีที่พึ่งเนี่ยนะเจริญสัมมาสังกัปปะเจริญสัมมา ส, สติระลึกไปในกุศลคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะก็ อย่าลืมนะว่านึกถึงสิ่งใดนั่นแหละเครื่องหมายแห่งชาติหน้าของเราเรานึกถึงอะไรเนาะวันวนหนึ่งอะนะนั่นแหละคือเครื่องหมายแห่งชาติหน้าถ้านึกถึงต้นไม้ใบหญ้ า, ากเกิดเป็นอะไรลูกกฐวดาใช่หรือเนี่ยนะเออต้นนั้นเราก็ฉีดยาฆ่าแมาลงเป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็เป็นแมลงอยู่แถวต้นนั้นแล้วเนี่ยก็ฉีดคืนบ้างอย่างนี้นะแล้วก็มนึกถึงถ้านึกถึงต้นไม้ใบหญ้ า, าถ้านึกถึงสตัตว์เดรัจฉานไปไหนดีเนี่ยนะูกเกือบจะของฟาร์มเล ย, ยงั้นหรอมั ขอให้มันอย่างนั้นเถอะไม่ ง, งั้นก็ลําบากเนะ่ยพันธ์ก็พยายามเราอย่าเบียดเบียนประทุษร้ายที่จริงเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายขวนขวายสแสวงหาอะไรก็ได้มาบํารุงตาบํารุงหูบํารุงจมูกบํารุงลิ้นบํารุงร่างกายแต่ว่าจิตใจก็ปล่อยให้มันเศร้ามองให้มันหม่นมองให้มันทุกข์ให้มันรอน้อนนะรู้ทรมานเรียอะไรนะเป็นพวกทรมานใจตัวเองนะให้มันเครียดที่สุดให้มันทุกข์ที่สุดให้มันลําบากที่สุด อกโอ้อะไรจะขาดเมตตาขนาดนั้นเนี่ยนะเจริญเมตตาให้ตัวเองเยอะๆหน่อยจะได้เจริญในบุญกุศลคุณงามความดีเนี่ยน ะ, ะพุทธวงช่วงเช้านี้ใช้เวลาเท่านี้ก่อนเนี่ยนะภาษารนบุตรธรรมอะไรค่อย่าว่าตอนบ่ายต่อ